ธรรมะกับชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งเราต้องอยู่ด้วยการให้เนื่องจากมีเวลาน้อยแล้วเราต้องอยู่ด้วยการให้มีชีวิตอยู่ด้วยการให้คือการเสียสละสิ่งของจากภายนอก และที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการให้อภัยชีวิตที่เหลือเนี่ยขอให้เป็นชีวิตที่ให้อภัยให้อภัยคือไม่ถือโทษโกรธไม่อาฆาตไม่เครียดแค้นไม่จิงชังใครก็ตามที่ทำไม่ดีกับเราไว้เราก็ต้องให้อภัยเขา ทุกเรื่องโดยที่ไม่เอาเหตุไม่เอาผลไม่เอาถูกไม่เอาผิดให้อาภัยไปเลยให้อาภัยคนอื่นเมื่อก็ทําไม่ดีกับเราแล้วก็ให้อาภาัยตัวเองบางทีเราก็ผิดเราทําความผิดบางทีเราก็ยอนรับไม่ได้ในความผิดที่เราทําแต่เราต้องรู้จักให้อาภัยตัวเอง จะได้ไม่ต้องมาโกรธตัวเองและไม่ต้องไปโกรธคนอื่นคือการทําความผิดทําความไม่ดีนั้นมันมีทั้งขขาทั้งเราแหละที่เกิดขึ้นสามารถทําในสิ่งนี้ได้คือเราต้องรู้จักให้อาภายัยไม่มีอะไรที่มันค้างคาใจเอาไว้ให้อาภัยให้หมดเราจะไปโกรธก็ทําไมหลายปีหลาย เดือนหลายพบหลายชาติจะโกรธไปทาไมไม่มีประโยชน์อะไร mm hmm. เขาก็ต้องตายเราก็ต้องตายทั้งเราและเขาก็ต้องตายจากกันอยางนั้นเราเกิดมาเพื่อพบกันชั่วขณะหนึ่งแล้วเราก็จากกันไปแล้วเราจะไปถือโทษโกรธความกันไปทาไมนะต้องให้อาภัยซะการให้อาภัยเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรม เป็นสิ่งีสมคัญนะอภัยนี่คือการปฏิบัติธรรมประสิที่ทำได้ยากแต่ว่าทำได้เราเห็นประโยชน์ของการให้อภัยถ้าเราไปปฏิบัติธรรมด้วยการให้อภัยแล้วเราจะรู้สึกว่าเราได้ปล่อยวางสิ่งที่มันค้างคาใจเอาไว้นานหลายวันหลายเดือนหลายปีแต่เราได้ปล่อยวาง ไ่วางสิ่งที่เราเคยโ ก, กรธเกลีดใครไว้เหมือนอย่างเราแบกของหนักมานานพอเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าของที่เราแบกเป็นของหนักเนี่ยมันไม่มีสาระอะไรเลยแล้วก็ปล่อยวางมันลงไปแล้วหลังจากที่เราปล่อยวางของหนักไปแล้วคือให้อภัยไปแล้วเราก็จะมีสิ่งค้างคางใจอะไรใจเราก็จะเบาสบายเนี่ยสบายใจ อยู่ก็มีความสุขตายก็สบายใจเพราะเราไม่มีอะไรข้างคาใจเอาไว้ไม่มีความกดไคไว้เพราะนั้นการให้อภัยเนี่ยจึงมีประโยชน์มากในวันหนึ่งคืนหนึ่งค่อยเราพิจารณาดูให้ดนะีสิ่งที่เรานําออกไปจากจิตจใจเราเนี่ยมันมีแต่ทำให้ใจเราเบาทังนั้น ถ้าเรานำสิ่งที่มันอยู่ภายนอกเอาเข้าสะสมไว้ในใจเรามากๆโดยเพราะความโกรธความแค้นชิงชังเนี่ยก็ทำให้ใจเราหนักขึ้นมาทันทีเลยดังนั้นการให้อภัยจึงมีประโยชน์มากสำหรับคนที่อยากจะมีความสุขในชีวิต